สิขาบทวิพังสามร้วิหารที่ชื่อว่าใหญ่ได้แก่วิหารมีเจ้าของสร้างถวายชื่อว่าวิหารได้แก่ที่อยู่ซึ่งโบกฉากภายในหรือภายนอกหรือโบกฉาบทั้งภายในภายนอกคําว่าสร้างคือสร้างเองหรือใช้คนอื่นสร้างคําว่าที่มีเจ้าของสร้างถวายคือที่มีหญิงหรือชาย คหัตหรือบรระชิตเป็นเจ้าของสร้างถวายคำว่าสร้างเป็นของส่วนตัวคือเพื่อประโยชน์ตนคำว่าต้องพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้อธิบายว่าภิกษุผู้จะสร้างวิหารนั้นพึงให้แผ้วทางพื้นที่สร้างวิหารแล้วเข้าไปหาสงฆ์ผมผ้าเฉียงบากราบเท้าภิกษุผู้แก่พันากว่านั่งประยงประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องการจะสร้างวิหารใหญ่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวกระผมขอให้สงตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารขอรับพึ่งกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่สองพึ่งกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่สามถ้าสงทั้งปวงสามารถไปตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารได้ก็ต้องไปตรวจดูด้วยกันทุกรู ป, รป ถ้าสงฆ์ทั้งปวงไม่สามารถจะไปตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารได้หมดทุกรูปก็ต้องขอภิกษุที่ฉลาดสามารถรู้จักพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบแล้วแต่งตั้ง